มาได้ไหมมันก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกก็ได้แค่อดในความอดทนหมายถึงว่าจะไปอยู่ในที่ไม่มีอาหารก็อยู่ได้นะการอดอาหารมันทําให้เราก้าวข้ามความความวิตกกังวลในเรื่องของการได้มาซึ่งอาหารที่จะนํามาเลี้ยงชีพมันเลยทําให้เราไม่หวั่นไหวและไม่โลเลในการ เห็นแก่อาหารหมายถึงว่าแม้จะตายก็จะไม่เอ่ยปากขออาหารจากบุคคลผู้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวนารณาและไม่หาเงินหรือสะสมเงินมาเพื่อซื้ออาหารจะไม่เห็นแก่การกินอย่างนั้นมันทำให้เราได้ถูกฝึกอย่างนี้เวลาไปอยู่ในที่ปา่าที่เขา <c oughs> ที่ไม่มีอาหารเราก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่างที่บอกตั้งแต่ตั้งสัจจะที่จะไม่รับเงินรับทองเก็บไว้เป็นของจำเพาะตนก็อธิฐานมากไปอยู่ที่ไหนก็ตามข้าพเจ้าไปอยู่ที่ไหนก็ตามสี่ทิศในที่ทั้งสี่อย่าให้ถึงความอดอยากขาดแคลน<ม>ก็ตั้งสัจจะอธิฐานไว้อย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เคยได้อดอยากมมมแม้จะอดก็อดได้ไม่นานมันก็มีอาหารเข้ามา จิตใจตอนนั้นก็มีแต่พระรัตนตรัมีแต่พระพุทธเจ้าพระพระสงฆ์สัจธร ร, รมสิ่งหนึ่งที่สังคมเราไม่เข้าใจเรื่องของที่พึ่งก็คืออะไรไ<ง>คําว่าพุทธทางสร า, น า, ง า, างสรานางาังคาฉ า, า, ามิธรรมังสารนังคาฉามิสังขังสารนังคาฉามิโดยฐานะของชาวพุทธ ชาวพุทธจะต้องมีสารณนะแต่สารณะในชาวพุทธที่ชาวพุทธได้เข้าใจคําว่าสารณะนั้น่ะชาวพุทธเข้าใจว่าสารณะแปลว่าที่พึ่งหรือมีความหมายว่าเป็นสิ่งที่เราต้องยึดพึ่งหรือรวมความก็เป็นความเข้าใจในหัวของชาวพุทธว่าพระพุทธเจ้าพระนพนสมคือที่พึ่งของข้าพเจ้าคือสารณนะเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมแต่ในความหมายของเขาว่าสารณะนั้นน่ะไม่ใช่ที่พึ่ง สารณะไม่ได้แปลว่าที่พึ่งและสารณะไม่ใช่ที่พึ่งพุทธทางสารนังคาฉามีธรรมังสารนังคาฉามีสังฆังสารนังคาฉามีจึงไม่ใช่ที่พึ่งของชาวพุทธเขาบอกเอาแล้วถ้าไม่ใช่ที่พึ่งถ้าพูดอย่างนี้มันก็ขัดกับความรู้สึกของชาวพุทธที่ตั้งใจหรือมีใจหรือให้ใจของเรายึดพึ่งอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธัรมพระสงฆ์ ถ้าพูดจริงก็ขัดเลยว่าพระพุทธเจ้าพระนักประสงค์ไม่ใช่ที่พึ่งเพราะพุทธเจ้าพระนักประสงค์เป็นสาระจริงแต่ไม่ใช่ที่พึ่งที่เราเข้าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระนักประสงค์ที่พึ่งเน่ยเราเข้าใจกันเอาเองแล้วความเข้าใจเอาเองนี่แหละมันนามาสู่ถึงการปฏิบัติต่ตอพระราตนีไตยผิดสารณะแปลตามตัวว่าที่ระลึกการระลึกถึง พระพุทธเจ้าการละลึกถึงพระธรรมการระลึกถึงพระสงฆ์จึงชื่อว่าบุคคลผู้นั้นมีสารณนะไตสาระคมขาดไตแปลว่าสามสาระคมคือการเข้าถึงด้วยการละลึกเนี่ยหากใจเราไม่ละลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรระสงค์ก็ถือว่าไตสาระคมขาด right ขาดจากการละลึกเมื่อไม่ละลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรระสงค์แล้วสาระคมก็ขาดเมื่อไตสาระคมขาดบุคคลที่ประกาศตนว่าเป็นพุทธสาวก หรือเป็นพุธทธมามะกะก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นพุธทธมามะกะจริงคาว่าพุธทธมามะกะมีความหมายว่าการกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นของเราพุทธามกะมามะแปลว่าของเราคือพระพุทธเจ้าเป็นของเราก็ทาเป็นของเราพระสงฆ์เป็ น, นของเราเรามีพระพุทธเจ้าพระธปรพะสงค์เป็นสารณะของเรา สาณะไม่ได้แปลว่าที่พึ่งแปลว่าที่ระลึกแต่เมื่อเราประกาศว่าเป็นผู้ธรรมะมาก่าว่าพระเจ้าเป็นสารณะของเราเป็นที่ระลึกของเราเนี่ยเราเคยระลึกถึงพระเจ้าจริงๆริงไหมเคยระลึกถึงพระธรรมจริงๆริงไหมเคยระลึกถึงพระสงฆ์จริงๆริงไหมหรือเราระลึกถึงพระเจ้าทางด้านรูปกอลบระลึกถึงพระธรรมด้วยบทสวดตำลักตำราัำทีระลึกถึงพระสงฆ์เห็นภิกษุผู้บวชอุปสมบทว่าเป็นพระสงฆ์และระลึกอย่างงั้น นันไม่ใช่การระลึกถึงพระรันตนนาัยพระรันตนนาฏยไม่ได้อยู่ในสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ลูกกอรบพระธรรมไม่ได้อยู่ที่บทสวดหรือตำลอตําราหนังสือพระไตรปิฎกพระสงฆ์ไม่ได้อยู่ที่บุคคลที่เข้ามาบวชเป็นพระความหมายของสารณะทั้งสามนั้นมีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่าการที่เราเข้าใจอยู่การที่เราเข้าใจว่า พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนั้นเป็นความเข้าใจผิดเริ่มแรกที่ทําให้เราปฏิบัติผิดในกิจทางศาสนาที่เรากำลังทกันอยู่ที่พึ่งโดยภาษาแล้วเขาใช้คําว่านาโถนาถนาถนาโถพุทโธเมนาโถพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันเนี้ยใช่ใช้คําว่านาโถนาถนาถแปลว่าที่พึ่ง ไ, ได้ยินเขาว่ า, าอาณาถาไหยแปลว่าอะไรไคนไม่มีที่พึ่งคนอน า, าถาใช่ไหมไม่มีที่พึ่งพาพึ่งพาพึ่งทิงใครก็ไม่ได้คนอน า, าถาคนจรรไปอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเป็นหลักแห่งนาณาถาบิธิกาเศษฐีคือเศรษฐีผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาคนไม่มีอันจะกินเราคนอนาถาเพราะฉะนั้น อะมันแปลว่าไม่นาโถหรือว่านาถาเนี่ยมันแปลว่าที่พึ่งอาณาถ า, า, นนาคือไม่มีที่พึ่งอาเดนอานาตประเภทเนี้ยคือไม่มีที่พึ่งเพราะนั้นที่พึ่งที่ใช้คาว่านาโถหรือนาถามันไม่ใช่คําว่าสารณะมันก็ละย่างกันแต่สารณคมเนี่ยคือการตั้งกิจระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุประสงค์เมื่อสัญญาณการระลึกของเราผิด การยึดพึงยึดพึ่งก็ผิดพุทโธมีนาโถมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็ผิดเพราะเราไม่เข้าใจคำว่าพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการระลึกจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญไตสารณคมจะสําเร็จเป็นไตสารณคมได้บุคคลผู้นั้นจะต้องมีใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ถูกกับพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมให้ถูกกับพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์ให้ถูกกับพระสงฆ์หากระลึกไม่ถูก ไตสรณคมก็ขาดขาดแค่ระลึกไม่ถูกก็ขาดแล้วนะไตสรณะมนี่นะไม่ต้องไปพูดถึงว่าไหว้ผีไหว้เจ้าไหว้เทพแล้วไตสรณะรมขาดไหว้ต้นไม้ไหว้เจ้าปู่เจ้าตาไม่ไม่ไม่ไม่ ไ, มไมปรับผูนั่นเลยแค่จิตเราระลึกผิดเนี่ยระลึกในพุทธเจ้าพระธรรพระสงฆ์ผิดไตสรณะมขาดแล้วเมื่อไตสรณะรมขาดจะประกาศว่าพูดโถวเนาโผว่าพรุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราก็ไม่ได้อีกมันไม่สําเร็จประโยชน์ ไม่บังเกิดผลแล้วจะทํำยังไงไต่สารณคมถึงจะบริบูรณ์เราก็ต้องรละลึกให้ถูกระลึกยังไงให้ถูกพูดท้องพุททางสารนักฉาบนี้เราต้องการเข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยการระลึกระลึกสารนาำมาจากคำว่าสาระธาตุธาตุแห่งการระลึกรู้ระลึกถึงถ้าเราจะคุ้นเคยกันก็จะใช้คำว่า อนุสร อ, อนุสรคือเครื่องระลึกถึงสิ่งที่ตามระลึกอนุปแปลว่าตามตามระลึกถึงจึงใช้คาว่าอนุสรเราจะสร้างสั ญ, ญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงคือลาลึกถึงบุคคลผู้นั้นผู้นี้เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีแน่นอนภาพบุคคลน่ะที่ประกอบคุณงามความดีที่ทำให้ก่อให้เกิดการระลึกถึงเช่นเห็นรูปพระนเรสวนมหาราช อย่างเงี้ยเป็นอนุสาวารีย์อนุสาวารีย์คือสิ่งที่ทำให้เกิดการระลึกถึงวีรกรรมขององค์ท่าน <c oughs> และพระองค์ท่านก็สเสด็จสู่สวรรค์พลัยแต่ชนรุ่นหลังที่ได้ศึกษาตามประวัติศาสตร์ความเป็นอยู่ของพื้นแผ่นดินไทยนี้ <c oughs> ก็ได้ทราบในเรื่องราวโดยมีอนุสาวารีย์เป็น สัญลักษณ์ให้ทราบแต่เรื่องราวที่เราจะต้องเรียนรู้นั้นอ่ะมันอยู่ในเรื่องราวของที่เขาจดจารึกไว้ทางหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆได้ถูกถ่ายทอดสืบมาโดยมีอนุสาวรีย์เป็นเครื่องยืนยันความมีอยู่ของพันธเลสวรรประวัติศาสตร์ทางศา ส, สนา ทุกวันนี้เขาปั้นรูปเขารบคือพระธรูปขึ้นมาแต่ปอกกัว่ารูปเขารบที่ถูกปั้นขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ปั้นออกมาจากรูปแห่งความจริงไม่เหมือนรูปของคนในสวนที่เขารู้เขาเห็นกันว่าคนในสวนเป็นบุคคลแบบนี้เรียกว่าองค์ดํำองค์ดำอะไรเงี้ยก็เขาเขารู้กันเขาเห็นกันในสังคมว่าเป็นบุคคลผู้เป็นลักษณะอย่างนี้มีรูปลักงอย่างนี้แต่ว่า พระพุทธเจ้ามีรูปลักษณะอย่างไรเราเคยเห็นกันไหมไม่เคยเห็นแต่เห็นช่วงนี้กำลังมีการพยายามจัดแกะรอยแกะเาเรียกว่าแกะรอยไปถึงรูปลักษณะของพระพุทธองค์จากตำราคัมภีร์ด้วยจากความเป็นจริงที่ปรากฏในหลักฐาน ของชาวอินเดียด้วยจากโบราณนัดีของทางอินเดียเรียกว่าเชื้อสายตระกูลของสากยะตัวนี้นะเาเรียกว่าจะสร้างรูปที่เสมือนจริงเพอเอาให้จริงที่สุดของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มีรูปรักอย่างไรเพราะว่าพวกทรูปทุกวันนี้แม้จะถูกสร้างเป็นสัญลักษณ์ก็สร้างไปตามพื้นเพ ข, ของ คนหรือประเทศนั้นๆเช่นพุทธรูปที่ญี่ปุ่นก็จะหน้าตาเหมือนคนญี่ปุ่นเห็นไหมพุทธลูกพม่าก็จะหน้าตาแบบคนพม่าเราไปดูทางพม่าสิทําไมพุทธรูปปากแดงยังอาตมาก็แปลกใจอยู่ทําไมเจ้าต้องทําให้พุทธรูปปากแดงริฟีปากเนี่สีแดงแปลกใจไหมเคยเห็นไหมเออคืออะไรทําไมต้องีริฟีปากสีแดงฮะ คนพ ม, ม่ามเคี้ยวมามปากแดง <c oughs> แล้วพุทธลูไทยล่ะฮะัเชีย่ยปแงสมัยก่อนไทยก็ก <c oughs> ินมาพพุทธรูปไทยไม่ปากแดงนะกินมาก็จริงแต่ทำไมไม่ปากแดงพุทธูปไทยเป็นยังไง หน้าเหมือนไทยเหมือนไทยหรือเปล่าองปัจจุบันนี่ไทยจบูกโดงขนาดนั้นเลยเหรอใช่คนไทยจบุกโดงขนาดนั้นเลยเลยไปดูไปดูไดบุตรศึกของใช่ไดบุสรึกหรือเปล่าของญี่ปุ่นญี่ปุ่นหรือว่าจีนญี่ปุ่นรจีนก็แค่แค่ญี่ปุ่นนะอาจาหน้าตาจะแบบคล้ายๆกันคลกันแบบทุ้มทลูก ที่เป็นต้นแบบมาจากประเทศกรีกกรีกโรมันอ่ะพระเจ้าม mm ีนันเดอร์คนอินเดียเรียกมิลินฮะมิลินบ้าเราเรียมิลินเราจึงได้รูปลักษ์ของโอปัทลูที่เป็นต้นแบบจากประเทศกรีก mm hmm. จึงเห็นจมูกโด่งเขาหน้าลักษณะจะเป็นแบบนั้น mm hmm. สูงใหญ่อย่างเงี้ยคนกรีกเป็นพลัง นั่นคือต้นแบบต้นแบบเลยนะต้นแบบองค์พุทรูปของแรกในโลกสร้างโดยกษัตริย์กรีกคือพระเจ้าเมนันเดอร์ก็เริ่มเริ่มแผ่ขยายออกไปซึ่งเขาก็แกะออกมาจากพระไตรปิดกนี่แหละแต่แกะออกมายังไงมันก็ยังไม่เหมือนยังไม่ถูกต้องเพราะแต่ละคนก็ไม่เคยเห็นองค์จริงตอนนี้คนไทยที่เป็นศิลปินที่ทํารูปของในหลวงออกมาเนี่ยกําลังจะไปไปแกะรอย ความเสมือนจริงจากชาวสากะยะที่สืบเชื้อสายมาตั้งแต่วงตะระกูลดั้งเดิม <c oughs> เขาก็ตามรอยไปเลยนะ <c oughs> ว่าคนรุ่นต้อจะต้องมีทิ้งเชื้อไว้บ้างลักษณะรูปลักษของพระเจ้าต้องเป็นอย่างงี้ไป <c oughs> เห็นแต่ละคนแล้วไม่ค่อยจะเข้าทีเท่าไหร่เลยนะ <c oughs> ไม่เหมือนกับพคนรูปสักสักอะไรไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร นั่นหมายถึงว่าหากเราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในรูปเขาลบหรือแม้แต่เราเข้าใจว่าตัวของพระพุทธองค์เมื่อยังทรงพระชนอยู่คือพระพุทธเจ้าเป็นความเข้าใจถูกต้องไหมอ่าไม่ถูกใช่ไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว เป็นบทธรรมว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเชื่อว่าเห็นเราแสดงว่าความหมายของพุทธเจ้าหรือตัวของพุทธองค์เองเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวเนื้อตัวหนังของพระองค์แม้พระองค์จะทรงกชนอยู่ความทรงก็ชนอยู่ของพระองค์คือดำลงอยู่โดยความเป็นธาตุขันที่มันเหลืออยู่แต่ความเป็นพุธทธะที่พระองค์ทรงบรรลุถึงนั้นไม่ใช่สาภาพแห่งความเป็นธาตุขันไม่ใช่สาภาพร่างกายนี้ ไอ้ผมขนเล็บฟั น, นเนื้อเอ็กระดูกมันจะเป็นตัดสรุอะไรได้ใช่ไหเป็นเพียงแค่รูปที่มันเหลืออยู่ในภาวะแห่งอายุไขที่ยังไม่สิ้นไปก็อยู่ไปจนวาระสุดท้ายขันดับเรียกว่าปรินิพันต์ก็คือขันนี่ดับรอบแต่พระองค์ทรงรู้แจ้งหรือว่าบรลุนิพันต์ในวันวิสาขามานั้น เมื่อบรรลุถึงแล้วขันยังเหลืออยู่จึงเรียกสภาพแห่งการบารรลุถึงนั้นว่านิพพานเฉยๆแต่เมื่อขันนี้ดับไปจึงเรียกว่าปาลินิพพานหรือว่าดับรอบไม่เหลือขันดับหมดอะไรเงี้ยคือดับอย่างขาวบลเพราะฉะนั้นแม้แต่ตัวของพุทธองค์ร่างกายของพุทธองค์รูปประกายของพุทองค์หรือรูปแห่งความเป็นพุทธะที่เรียกว่าพุทธรูปนั้น ก็ยังไม่ชื่ อ, อชื่อว่าเป็นพุทธนะเพราะนั้นคำพุทธังสรนังคัตฉานิข้าพเจ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยการละลึกจึงไม่ใช่การละลึกถึงตัวของพระ อ, องค์โดยประการทั้งปวงและไม่การละลึกถึงพระพุทธเจ้าทางด้านลูกเคารพจึงไม่ชื่อว่าเป็นการละลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยประการใดๆเลยไม่ถือว่าเป็นการละลึกถึง ในความเป็นสารณะที่ถูกต้องไตาสารณะคมจะสมบูรณ์แบบได้บุคคลนั้นจะต้องเข้าใจความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างดีถึงจะสามารถนกกรี น, น, นเข้าถึงได้เมื่อพระองค์ทรงตัดไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจึงชื่อว่าเห็นเหลานั่นคือเป็นเครื่องยืนยันในความเป็นพุทธของพระองค์เองว่าพระพุทธองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระธรรมทีนี้ เมื่อพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระธรรมมันจึงเกิดปัญหาว่าแล้วพระธรรมอยู่ที่ไหนคืออะไรคือสิ่งที่เราทําที่เราจะเห็นเนี่ยคืออะไรเราก็ต้องไปดูที่ว่าก่อนที่พระผู้ได้เจ้าจะตัดสรูุน่ะพร ก, ก็คือบุตรชนแบบเราถูกต้องไหมพอถมยามแห่งลาตีผู้ได้เจ้าทําอะไ ร, รน้องฟ้า ในลาตีแรกเนี่ยที่พระองค์ทรงตั้งกิจอธิษฐานนั่งอยู่ใต้ต้นโพผูพ้ทีเจ้าทำอะไรในครั้งแรกจะเป็นสาวกบของพระเถรองต้องรู้พระเถรองนะจะนับถือใครต้องรู้เรื่องของคนนั้นให้ดีนะถึงจะนับถือได้ฮะวิชาพุทธศาสนาไมา่ได้สอนสอ น, สอน <laughs> แต่รู้แต่รู้ไม่เรียนรู้ไม่จำาไหนี้เนาะ ลองระลึกตามนะคือเราเกิดไม่ทันหรอกแต่เรื่องราวถูกเล่าสืบต่อมาทางด้านประวัติศาสตร์ที่เขาจารึกไว้ลองระลึกตามตามที่ผู้เจ้ากล่าวตามที่วงเขากล่าวว่าปฐมมายามแห่งราตีคือเขานับราตียังไงเป็นสามยามใช่ไหมสามยามยามแรกนับตั้งแต่กี่โมงฮะหกโมงหกโมงจนถึง สี่ทุ่มนี่เรามาประทมมยามกี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงต่อหนึ่งยามมันจึงมีปรมยามมาชีม ม, ชมยามและปัจฉิมมยามกลางคืนจะำยิวสามยามสมัยโบาราณก็จะมีการบอกยามกันยามหนึ่งยามสองยามสามอะไรแบบนี้เพราะเพาะๆพรามืองจีนเห็นในหนัง สี่ชั่วโม 4, 3, 12, วงสี่สามสิบสองรวมแล้วเป็นสิบสองชั่วโมงทีนี้หกงงจนถึงสี่ทุมเนี่ยพระเจ้าทําอะไรใต้ต้นโพ ภ, ภาษีมหาโพธิเนี่ยทบทวนนะโยนิโสดวันนี้แล้วยังไม่รู้ว่าพระเจ้าทําอะไรลและรับถือมาได้ยังไงศรัทธาพระเจ้ามาได้ยังไงไม่รู้เรื่องของพระเองค์เลยเหร จริงๆแล้วที่จะมาสอนมาไปไหนหมดนี้เข้าในกลีบเมฆกันแล้วทำยังไงถึงสามารถเข้าถึงบุเบนนิวาสานุสติญาณได้เพอาะพระพุทธเจ้าไปนั่งย้อนอดีตชาติเหรอ ทำไมถึงได้เกิดบุเพนิวาสานุสติยานเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติท่านได้ฌานได้ฌานแล้วคนที่ได้ชานแล้วไม่มีบุเพนิวาสานุสติยานก็มบีบุเพนิวาส า, านุสติญานไม่ได้เกิดขึ้นกับบุคคลผู้ได้ชานผู้จำพวก เอาเบื้องต้นพุกทเจ้าตอนที่นั่งขัดสมาธิอธิษฐานว่าแม้เลือดเนื้อหนังเอ็นกระดูกจะเหือดแห้งไปก็ตามทีหากไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยความเพียรแล้วเลี้ยวเรงของบุรุษอันใดที่จะมีอยู่ในเวลานี้จะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งเด็ดขานใช่ไห ม, มแล้วพงทำอะไรต่อนั่งขัด บ, บัลลังก์อยู่นะะั่นทาอะไรต่อดูลมหายใจ ลืมไปแล้วนี่เห็นไหมเราเราลืมไปหมดแล้วเย ล, ดลวเยดูลมหายใจพงใสใจหัวป <Okay. S 1> ลมหายใจเขาออก oh. ใช่พอใส่ใจลมหายใจเขาออกในขณะที่ใส่ใจกับลมหายใจเขาออกนั้นพระองค์ปรารถนาอย่างแรงกล้าคือในไหนก็อธิษฐานไม่แล้วสรรจัจจะไงลุกขึ้นไม่ได้อีกแล้วแม้จะตายไปอันนี้หมายถึงว่าเป็นเป็นไม้ตายสุดท้ายเป็นทางสุดท้ายเป็นไม่มีทางให้ไปที่ไหนอีกแล้วทุกทางทำมาหมดทุกวิถีแล้วไม่บรรลุ มันเหมือนกับหลังชนฝาแล้วจึงใส่ใจกับลมหายใจแล้วตึกนึกอยู่ว่าอะไรคือทางคนทุกข์อะไรคือสันติวรบบอะไรคือความดับทุกข์ที่แท้จริงทีนี้การที่พวงทรงใจใส่ใจกับลมหายใจพร้อมกับการตึกนึกอยู่นั้นจึงเกิดปุบเบนิวาสารสติญาขึ้นมาเพราะการใส่ใจพร้อมกับการตึกนึกในลมหายใจเข้าออก เปนในาษา ส, าสุติกยาณพอมารู้ว่าทางดับทุกข์อยที่ไหนอะไรที่จะสามารถทําให้ดับทุกข์ได้จึงไปเห็นอดีตชาติในยามที่3ามเอ้ในยามที่ในยามแรกเห็นอดีตชาติตัวเองเกิดในตระกูลนี้อาศัยชีวิตอยู่แบบนี้ดํารงชีวิตอยู่แบบนี้ใช้ชีวิตอย่างนี้จนถึงวาระสุดท้ายใชงชีวิตอย่างนี้นเกี่ยวโยงกับพูนพ้นั้นผู้นี้ผ้นตายเสร็จปับ๊บก่อนชาตินั้น มาจากชาติไหนพอไปเห็นอีกไปเห็นอีกเกิดในตระกูลนี้ใช้ชีวิตแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตายปั๊บจากชาตินั้นก่อนชาตินี้มาเป็นอะไรคงจะค้นหา mm hmm. หมายถึงว่าค้นหาว่าก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์ในเวลานี้ยเป็นอะไรมาก่อนค้นหาค้นหาก่อนที่จะมาเป็นชาตินี้เป็นอะไรมาก่อนก่อนที่เป็นชาตินี้เป็นอะไรมาก่อนก่อนที่จะเป็นชาตินี้เป็นอะไรมาก่อนค้นจนไป mm hmm. เป็นอสงไข์กับ ก็ค้นอยู่นั่นแหละใช้เวลาสี่ชั่วโมงหาคําตอบไม่ได้ว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือมนุษย์ครั้งแรกๆเริ่มแรกจริงจริ ง, รงก่อเกิดมาจากไหนผู้เจ้าไม่สามารถหาคําตอบได้ทําไมถึงมาเป็นมนุษย์ได้ไม่รู้มาจากไหนถึงแม้จะรู้อดีตชาติแต่ก็ไม่ทราบว่าจุดเริ่มแรกแห่งการเกิดที่แท้จริงมาจากไหนย้อนไปมากแค่ไหนก็กไม่ทราบแต่ทราบว่าเกิด ทำกรรมชนิดนี้เกิดอยู่งี้ตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดย้อนไปย้อนไปย้อนไปแต่ละาพบแต่ละชาติไม่เหมือนกันสักชาติแม้แต่ไปตกนรกก็ทราบว่าเคยไปตกนรกมาขึ้นสวรรค์ก็ทราบทุกชั้นไปเป็นพรมก็ทราบเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในฐานะเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเจ้าจากักรพรรดิเป็นมหาจากักรพรรดิเป็นอะไรก็ทราบทราบหมดเลยรู้หมดเลยแต่ไม่รู้ว่าจุดเริ่มแรกแห่งการเกิดที่ไหน เพราะถ้ารู้ว่าจุดเริ่มแรกแห่งการเกิดที่ไหนมีที่มาที่เกิดแล้วจะสามารถดับได้ก็คือดับการเกิดแล้วไม่ต้องเกิดอีกเนี่ยจึงจะถือว่าเป็นการดับทุกอย่างท้าวบอลแต่ป้ากุว่าโอไม่ทราบในเวลานะบเบนิบูเบนิวาสานิสติ ญ, ญาณแม้จะเกิดมาบอกอดีตชาติพลหลังยังไงก็ตามก็ยังไม่สามารถบรรลุยังบรรลุไม่ได้นะสี่ชั่วโมงนั่งพิจารณาอยู่นัน จนถึงยามที่สองสี่ทุ่มจนถึงตีสองไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะตั้ง <ๆ S 2> ใจว่าจะไม่ลุกขึ้น <ๆ S 2> ก็ใส่ใจกำลมหายใจต่อไปเรื่อยๆืแล้วคิดว่าเอาแม่ไม่รู้ว่าจุดเริ่มแรกแห่งการเกิดมาจากไหนก็ตามแล้วจุดสิ้นสุดของการเกิดจะสิ้นสุดที่ไหนีเนี้ย คำนวณดูผู้เจ้าก็เลยใส่ใจอยู่กับลมหายใจพร้อมกับกําหนดหมายว่าจุดสิ้นสุดของการเกิดจะไปสิ้นสุดที่ไหนในขณะนั้นก็เกิดจตุปปาตยานเป็นญานของการรู้อะไรรู้การจุติอุบัติจตุปปาตยานคือจุติอุบัติจุติคือการเคลื่อน เคลื่อนคือไปไปสู่การเกิดอุปาติคือการเกิดขึ้นจุติคือเคลื่อนเรียกว่าเคลื่อนจากพบมนุษย์ไปสู่พบเทพก็อุบัติขึ้นในพบเทพเคลื่อนจากพบเทพไปสู่พบสัตว์เรื่อยชนันก็อุบัติขึ้นในพบพบสัตว์เรื่อยชันก็เรียกว่ารู้จุติคือการเคลื่อนถ้าจะแปลโดยศัพท์ก็คือจุติในแปลว่าตายแต่จริงๆรัพส์คือสัพ์กับคําว่าตายคือมารณะ แต่จุติมีคือผ่านการตายมาแล้วแล้วเคลื่อนออกคือมรณ ะ, ะแล้วก็กลายเป็นจุติเรียกว่าเคลื่อนออกแล้วก็เป็นอุปาติคืออุบัติขึ้นบังเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนั่นหมายถึงว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องการจุติปับ๊บอุบัติเพิบทันทีเลยไม่ก่อนไม่หลังจะว่าไม่ก่อนไม่หลังก็ไม่ได้จุติต้องเกิดก่อนอุปาติจึงตามมาแต่เขาบอกว่าไม่ก่อนไม่หลังนั่นหมายถึงว่า ขณะที่เคลื่อนปุ๊บกบอุบัติปั๊บทันทีมันเป็นสำนวนหรือภาษาให้เราเข้าใจว่ามันรวดเร็วมากนั่นหมายถึงว่าตายปุ๊บเกิดปับ๊บไม่มีตายแล้วไปรอเกิดเรียกเขาเรียกใช้คําว่าสัมภเวสีไปรอคอย เ, อเกิดไปเป็นนั่นคอยคอยเกิดเรื่องนี้ไม่มีดับหมายถึงว่ากายสังขาร น, นี่ดับกิตตะสังขารดับพึ่มก็คือเกิดทันทีอนเอาบางคนบอกว่า ก็เห็นคนบางคนที่ตายไปออกจากร่างก็ยังมีรูปลักษเหมือนกับขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่อันนั้นคือเกิดแล้วเหรอเกิดหรื อ, อยังน่ะเกิดแล้วฮะอันนันบอกยังไม่เกิดต้องเพ่งคือเคลื่อนแล้วเคลื่อนแล้วปั๊บอุอบัติแล้วขณะที่เคลื่อนปั๊บก็คืออุบัติแล้วคือคือเกิดแล้วนั่นน่ะอุปาติก็ออบอกเอาถ้าเกิดทําไมไม่ ไม่อยู่ในสภาพอื่นทําไมยังคงสภาพเหมือนกับกายมนุษย์ที่ตายอยู่ในเวลานั้น <c oughs> สงสัยไหม <c oughs> เพราะคำว่าเกิดในความหมายของเราเราไปเห็นการเกิดเหมือนกับอ่ถ้าถ้าเราเป็นเด็กเกิดก็คืออยู่ในท้องเกิดออกมาอย่างนั้น <c oughs> คือต้องอยู่ในรูปรักษ์ใหม่แล้วแต่อันนี้ทำไมเกิดทําไมยังอยู่ในรูปรักษ์เก่าอยู่สภาพยังดั้งเดิม <c oughs> <c oughs> เคลื่อนใช่คือการเคลื่อนจุติคือการเคลื่อนเพราะฉะนั้นคําว่าเกิดที่เราว่าชาติการเกิดนี้นะในความหมายของการเกิดเนี่ยคือการคลอดออกมาจากคันที่วุญญาณใช้คำว่าการเกิดแต่ว่าอุปติจุติอุปตินี่คือเกิดแบบเคลื่อนเคลื่อนปุ๊บอุบัติเป็นสิ่งนั้นเลยเขาบอกเป็นอะไรหากจติ แล้วเลื่อนปั๊บมีบุญมากก็เป็นเทพเทพผูบุตรกบที่ตายจากกบไปเป็นเทพผบุตรมีรูปร่างเหมือนกบไหมก็เป็นรูปร่างเป็นเทพผบุตรพราเขากําหนดหมายว่าเทวราชต้องมีรูปร่างอย่างนี้เทวราชจะไม่มีสัตว์เดรัจฉานเด็ดขาดภพภูมิของเทวราชจะไม่มีสัตว์เดรัจฉานอยู่บนนั้นแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ตายจากสัตว์เดรัจฉานพอจุติแล้วอุบัติปั๊บ จะต้องมีรูปแบบเทพารแต่ทำไมมนุษย์เราตายปั๊บเนี่ยออกไปเนี่ยมีคนเห็นยังเป็นรูปของคนคนนั้นอยู่เพราะอะไรขึ้นอยู่ครับุเา่ถูกต้องบุญมันปรุงแต่งได้ไม่มากพอที่จะไปเป็นเทพจึงยังคงรูปของความเป็นมนุษย์อยู่อย่างเงี้ยคือเคลื่อนปุ๊บกอุบัติ ท, ทันทีคือเกิดแล้วนั่นน่ะถือว่าเกิดแล้ว เกิดแล้วแต่ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่ถือว่าเป็นเป็นเรียกว่าการการบังเกิดขึ้นก็เรียกว่าบังเกิดแบบมีสองแบบแบบที่เป็นชาติคือเกิดโดยอาศัยครรนครรมาดากับเกิดในไข่เกิดในเท่าใครเกิดในอะไรกําเนิดซีเคยเรียนไหมเข้าชั่วโมงการเรียน หาสิกำเนิดสีมีอะไรบ้างให้ให้น้องฟ้าได้เกิดในไข่เกิดในคันเกิดในไข่เช่นไก่เอาไก่เกิดในไข่เอาไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไก่ไก่เกิดก่อนไก่เกิดก่อนนะก็ไก่เกิดมาจากไหนไ่ เอาอยนี้ก่อนหาข้อมูลก่อนเกิดในคเกิดในคันหนึ่งคือมนุษย์เกิดมนุษย์สัตว์เดรานบางจำพวกเกิดในคันเช่นวัวควายแล้วละอีกเกิดอะไจำพวกแรกคือเกิดในคันจำพวกที่สองในไข่เป็ดไก่จาพวกที่สามเกิดในเท้าใครเนะเท้าคคืออะไรเชื้อโรคสัตว์เซลเดียวเชื้อโรคสัตว์เซลเดียวปรสิตปรสิตพยาธิอย่างนี้ใช่ไหม พยาธมันอยู่ในที่สะอาดได้ไหมไม่ได้มันอยู่ในที่ไหนแสดงว่าลำไส้เราสกรปรกมากแสดงว่า<ข>ก่อเกิดพยาธิอะไรอกับก่เกิดผุดขึ้นมาเกิดผุด ข, ขึ้ น, ขขนเรียกว่าอบปฏิกัอันอปปฏิกันี่แหละคือสภาพของคนที่ตายเคลืออนออกจากร่างปั๊บอุบัติปึ๊บคือเขาใช้คาว่าไม่ก่อนไม่หลังหรืออีกภาษาหนึ่งเขาใช้คําว่าไม่มีระหว่างขั้น ก็จะต่อเนื่องเลยสั ต, ติต่อเนื่องคือจุติปั๊บก็อุบัติในเวลาเดียวกันสีอส่อย่างเท่านั้นนะอ่าคําว่าจุติอุบัติจบในเวลาเดียวกันนะั้นหมายถึงว่าหายใจเข้าหายใจออกยังเป็นคนละเวลาอยู่ใช่ไหมถูกต้องไหมลมหายใจเข้า เบื้องต้นลมหายใจห้ามกลางและลมหายใจที่สุดเป็นคนละอันหรืออันเดียวกันคนละอันคนละหายใจเข้านยใมันมันลมหายใจคนละอันใช่ไหมหายใจเดหนึ่งเข้าไปนี่ลมเบื้องต้นลมากลางและลมสุดเนี่ยมันเป็นลมคละอันหรือลมอันเดียวกันคนละอัคนละอัเดียวลมอันเดียวคนลเวลาลมอันเดียวคนละเวลา าคนละอันน่จังหวจาขาจังหวอาแล้วลหายใจที่เข้ากับออกเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันคนละอันเดียวกันแล้วถ้าไม่เข้าแล้วจะเอาอะไรออกมาใช่แล้วลอหายใจไหนออกมาเข้า้วนะครับเข้าเนี่ยมันไปอข้าเนีอเข้าเนี่ยมันนำออกเข้ามันนอความได้ไหมว่าเราหายใจเข้าก่อนหรือออกก่อน เข้าเพื่อไปสอบเข้าเพื่อไปใช้เนี่ยแสดงว่าแสดงว่าสติดีนี่สติดีเนี่ยไม่หลงประเด็นนะแต่จะพูดถึงขนาดขณะดเืดหนึ่งที่เราสูตรเข้าไปเนี่ยลมเบื้องต้นลมทางกลางลมที่สุดเป็นคนละขนาดใช่ไหมขณะของการจุติอุบัติจะประมาณนี้คือเคลื่อนปั๊บจังหวะที่เคลื่อนปั๊บก็คือเกิดพึ่บ พอเข้าใจหแล้วอุปาติเพราะฉะนั้นจาพวกเนี่ยเขาเรียกว่าอุปาติกาที่ตายแล้วออกไปแล้วเราเห็นเป็นร่างเรียกว่าอุปาติกายังคงทรงสภาพแห่งความเป็นร่างเดิมไว้เพราะบุญญาพิสังขารการปรุงแต่งด้วยบุญนี้ไม่มากพอที่จะเปลี่ยนรูปร่างนี้ให้เป็นเทพนะหรื อ, อบุญญาพิสังขารบาปไม่ม า, มม า, มมากพอที่จะไปเปลี่ยน สังขารหรือว่ารูปเนี้ยให้ไปอยู่ในกําเนิดสัตว์ไดรัจฉนเปรตผีปีศาจแต่กี้นี้ยเขาเรียกว่ากำเนิดผีคือมีกําเนิดเหมือกนกันนะั่น ป, ปฏิกิริยนี่มีเปตผีปีศาจยักษ์คนทันกุมพันธะขุดอสูรกินอะไรกินอิลลีกินอะไรนี่เกิดในไหนในไข่หรือเปล่า ออทำไมไม่ใช่ <1 000. S 1> เอานาคนี้มันมีสองจำพวกเกิดในไข่ก็มีมโอปติกาก็มีนาคกิน<ม>นาลี<ม>กินนรีที่เกิดในไข่ก็มีโอปติกาก็มีมประเภทที่ออกมาเป็นไข่เนี่ยมีกินนาลีกินลกาก<ม> ก็น่าจะเป็นอุปติกะก็เป็นเดลฉานถึงแม้จะเป็นอุปติกะนะก็เป็นเดลฉานคนที่เกิดเป็นอุปติกะมีไหมมีที่ไหนคนที่เป็นอุปติกะผุดเกิดเองไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีบิดามีเกิดจากก้อนอุปติกะได้ยินมีอยู่นะพระอาจารย์ว่มีในสฉลยพิจารณามนุษย์ต้นกับ เป็นมนุษย์อปปติกาคือผุดเกิด ข, ขึ้นถูกต้องไหมมนุษย์ที่สืบเชื้อสายมาตอะต้องเกิดในคันเท่านั้น<ช>แต่มีอยู่บุคคลหนึ่งที่อธิษฐานไว้ว่าจะไม่ขอเกิดกับบิดาไม่ขอเกิดกับมารดาคือไม่อาศัยมารดาบิดาเกิดอัมภะปาลีาจำได้เกิดอยู่ ท, ที่ไห น, นข่าวปมมะม่วงอะ พุตเกิดขึ้นร้องอุ้แว่วอยู่ตรงนั้นเนาะคุณี่สินางอำพารีก็ี่าก็อยู่ในหนังพระเจ้ายังมีเขายังเอาบาในเดินเรื่องในท้องเรื่องอยู่นะใช่สวยมสวยมากเป็นที่หมายป้อของชาวเมืองทั้งหมดเลยอำพารีเป็นหญิงขณนิกาเพราะว่าไม่มีพ่อไงไม่มีแม่ไงก็เลยเอาเป็นส่วนกลางของเมืองเขาเรียกว่า ยิ่งงามเมืองแล้นั้นก็สวยงามอปปาติกะเป็นอุปติกะที่นี่ไปถึงไหนละยิ่งการเกิดแารจะูาการจติอุบัติเข้าใจครับว่าจติอุบัติแล้วนะมันเป็นยังไงคนโพงจึงทราบว่า ตายจากภพนี้ไปเกิดเป็นภพนี้ด้วยตูปปตาตยานนั้นจึงทําให้พระ อ, องค์ทราบว่าบุคคลผู้ใดก็ตามกระทํากรรมชนิดนี้ดีไปเกิดอยู่บนสวรรค์กระทํากรรมไม่ดีเกิดอยู่อบายพุ่งอย่างเงี้ยพระองค์ก็เลยจัดคานวณดูว่าในบรรดาบุคคลผู้กระทํากรรมทั้งหมดเนี่ยกรรมชนิดไหนที่ทําให้แล้วไม่ไสู่ไม่ไปสู่การเกิด คือหลุดพน้นออกจากวงจรแห่งการเกิดวาเวียนวายตายเกิดทั้งมวลมีไหมไม่มีพองคไม่เห็น<อ>คือมันมีแต่ว่าพระองค์ไม่เห็น<อ>จุตู ป, ปตาปาตญาไม่สามารถที่จะบอกได้<อ>ว่ากระทํากรรมชนิดไหนแล้วดับการเกิดทั้งมวลเนี่ยจุตูปะปะตาตญาไม่สามารถเป็นความรู้ขึ้นมาได้<อ>ด้านหมายถึงว่าปุบเบนิวาสานุสติญาณ กับจุตูปปาตยานยังเป็นโลกิยะเขาเรียกว่ายานยานแห่งความรู้ของโลกิยะยังไม่ใช่โลกุตระแม้แต่ลือศีดาบทครั้งก่อนหน้าของพุทธองค์ที่บรรลุยานนี้ก็รู้ก็รู้ยานนี้เหมือนกันกับพุทธองค์แต่ไม่รู้ทางการบรรลุจึงมีการสอนกันในเรื่องของการเกิดแก่เจตตาย แต่ทางคนพุกพ้นยังไงเขาสอนกันไม่ได้ว่าพ้นพุกดับพุกอย่างไงผู้เจ้าก็มาติดอยู่ข้อเนี้ยก่อนที่จะมาเกิดเป็นอะไรมาก่อนหรือว่าจุดเริ่มแรกแห่งการเกิดเป็นอะไรมาหรือมีการจุติหรือเกิดกันมาได้ยังไงเนี้ยก็ไม่ทราบเกิดมาแล้วกระทำกรรมชนิดนี้วนเวียนปายใต้เกิดเวียนใต้ป้ายใตยเกิดอยู่างนี้เนี่ยเด็กอธิบดามนุษย์สาวัตย์ พรเทวดามนุษย์สวรรค์พรมเบสพิีสารสุรกายนระกเทวดามนุษย์สวรรค์ดวงกินดวงเดียวเนี่ยเกิดดับเกิดดับซึมเนื่องไปสู่พบตามกระแสแห่งวิบัติหาที่สิ้นสุดไม่ได้เป็นระยะเวลายืดยาวนานแม้แต่ตัวของพอระองค์เองก็ทราบการบำเพ็ญที่พระองค์สมบำเพ็ญมาทั้งหมดเราก็ทําคุณงามความดีมามากลกว้วปรารถนาควเป็นสัมมาสัมพุทธญาณเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายซ้าๆๆๆในวัฏะเหล่าเนี้ มีที่ไหนที่หลุดออกไปจับวงจรของการเิ น, นี่ยนไปในบ้านสารเดพบสารเสดภูมินี้ก็ยังไม่มีเมื่อไม่มีแล้วสี่ชั่วโมงที่พงศงนั่งพี่นาจุติอุบัติของเราสัตว์เนี่ยอยู่สี่ชั่วโมงด้วยความไม่รู้ว่าจุดเริ่มแรกมาจากไหนและจะสิ้นสุดการเกิดที่ไหนเมื่อไม่ทราบแล้ว ในยามที่สามคือตั้งแต่ตีสองถ้าตีสองนีพวกเราทำอะไรกันไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนะ <c oughs> ขวังขจิต <c oughs> ยาวนานเลย <c oughs> แต่ผู้ได้เจ้านั่งเพ่งทิ่นี่ที่เจรณาทำอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ <c oughs> นั่นหมายถึงว่าผู้พระองค์ไม่ได้นั่งสงบสงบ <c oughs> โดยปราศจากความคิด <c oughs> พระองค์เป็นถ้าเราไปสึกษารเรื่องราวของโบให้ดี <c oughs> เราจะทราบเลยนะบ่า สิ่งที่บองทรงค้นคว้านะนั่งค้นคว้าจริงๆอย่างจๆเลยนะนั่งค้นคว้าแบบทํายังไงถึงจะยุยติการเกิดทํายังไงถึงจะดับการเกิดทำยังไงถึงจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงวัตสงสารทำไมทําไงถึงจะหาข้อยุติกับมันได้นั่งค้นคว้าอย่างจริงๆด้วยใจแบบออกมาแบบด้วยการคบคิดของบุคคลที่ไม่เคยคิดในเวลานั้นแล้วพระองค์เอามาคิดนอกเหนือจากความคิดที่ที่เขามีแบบแผนในการคิดกันอยู่ เพราะอะไรพราองทรงบำเพ็ญมบดดแล้วทำตัวเองให้ลำบากเปลา่าปดข้าวอยู่กี่วันจนเกือบจะตายนะ่ะกี่วันสี่สิบเก้าวันจริงหรือเปล่าได้อยู่กับพระเจ้าเลยคงรู้ฟังมานะาก็ฟังเข้ามาฟังเข้ามาอีกทีนอ่ะ4ี่สิบเก้าก็สี่สิบเก้าถ้าห้าสิบวันตายแน่นอนพอดีได้นางสุชาดา เอาก่อนเข้ามาถาวายก็เลยยงจึงทรงธาตุันอยู่ได้ทีนี้ธาดเพียนในอาจารย์ทั้งสองซึ่งเป็นอาจารย์ที่เรียกว่า mm hmm. เก่าแก่ที่สุดเป็นบุคคลที่หน้าเคารบหน้ารับฟืนหน้าพุตามมากที่สุดในเวลานั้นและเชื่อว่าบุคคลทั้งสองนั้นเป็นเป็นบุคคลพูดถึงความบุญลุกแล้วก็คืออาราดาบุญกับอุทะ ก, กรดาบุญพระกรกฏองไปศึกษาอยู่ด้วย สิ้นสุดแห่งการกล่าวสอนทำแปลว่าจิตองเข้าถึงบรรลุถึงทำนั้นเพียงแค่การกล่าวสอนไม่ต้องไปบําเพ็ญอะไรเลยดั้นหมายถึงว่าอาจารย์กล่าวพูดถึงเรื่องอากาสาดัญญายตนะจิตองพระเข้าถึงเลยบรรลุถึงเลยทันทีในเวลานั้นพูดถึงอากิจจานญายตนะก็บรรลุถึงทันทีเลยพูดถึงวิญญานัญญาตนะก็บรรลุถึงเลย พูดถึงอาคินเนวะสัญญาณสัญญาณจรณนะจิตก็บรรลุถึงสภาพธรรนั้นทันทีเลยเพราะอะไรก็เคยทํามาก่อนแล้วในอดีตชาติเคยบรรลุถึงมาก่อนแล้วพออาจารย์เหล่านั้นพูดถึงปั๊บสําเร็จผลเลยพอสําเร็จผลปุ๊บอาจารย์บอกว่าเอาบรรลุเท่ากันแล้วนี่มีความรู้เท่ากันแล้วต่อไปสอนแทนเรานะัะเพราะความรู้เท่ากันแล้วแล้วเอาอาจารย์หมดแค่นี้แล้วเหรอความรู้ที่อาจารย์มีหมดแล้วเหรอ่ะ ก็หมดแล้วก็สิ้นสุดอยู่นี่เ น, เนวสัญญาณนะสัญญาญาตนะเราก็รู้เท่านี้แหละนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์แล้วแต่พระเจ้าบอกว่านี่ทำไมยังไม่รู้สึกว่าตัวเองผลนทุกข์ทำไมยังไม่รู้สึกว่าความยุติแห่งภพชาติมันหมดไปสิ้นไปแต่การเข้าถึงเนวสัญญาณนะสัญญาญตนาชานน่ะเข้าถึงแต่รู้ว่านั่นยังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์นั่นคือเป็นปัญญาที่พิเศษจากคนอื่นเพราะว่าอาราธนาบทกุทธการาบทไม่ทราบ ว่าฌานที่เข้าถึงนั้นนะยังไ ม, ไม่ใช่ที่ พ, นะพ้ทุกมาผู้ไเจ้าจึงออกจากอาจารย์นี้ไปอย่าง เ, เพียงจนอยู่กับปัญจคีทังห้าจนปจัญจคีทังห้าเห็ น, นบริโภคอาหารก็หาว่าคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆไม่สามารถบรรลุถึงการกระทําซึ่งที่สุดแห่งทุกได้แน่นอน ก็แตกกันพอแตกวงกันออกมาผู้เจ้าก็ถือโอกาสในความอยู่ผู้เดียวเนี่ยใช้ความคิดตัวเองได้เต็มที่แล้วค้นความวิจัยพอถึงยามที่สามตั้งแต่ตีสองจนถึงหกโมงเช้านะเริ่มตีสองปั๊บผมก็เลยเห็นว่าก่อนที่จะมาเกิดก็ไม่รู้จะไปจุติหรือว่าสิ้นสุดแห่งการเกิดการตายที่ไหนก็ไม่รู้ไอ้ตัวความไม่รู้เนี่ยคือปัญหาเนี่ย อนยามที่สองเอ่ยในยามที่สามไอตัวไม่รู้นี่แหละภาษาบาลีเขาเรียกว่าอวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยที่เกิดสังขารทันทีเลยทีนี้เพราะความไม่รู้นี่เองจึงก่อให้เกิดแล้วเกิดอีเกิดแล้วเกิดอีเกิดแล้วเกิดเล่าเพราะไม่มีใครรู้ทางออกว่าจะออกจากไหนไอความไม่รู้นี่ไม่รู้อะไรทําไมมันไม่รู้เนี่ยผมก็เลยมันทําไมไม่รู้มันไม่รู้เพราะความไม่รู้ของคน แต่ในคนที่บําเพ็ญไปถึงเนวสัญญาณสัญญาญตนาที่เขาก็ว่าเข้าใจว่าเขาหลุดพ้นน่ะก็เขาเข้าใจว่าเขารู้แต่ย่าบอกว่านั่นยังไม่ใช่ความรู้เพราะความเข้าใจว่าตนเองรู้นั่นแหละจึงถูกอาวิชาคือความไม่รู้ความงามจริงทำให้เกิดการวนเวียนไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเนวสัญญาณสัญญาญตนานั้นน่ะไปอยู่ในชั้นพรมพอหมดจากศูญสิ้นแห่งความเป็นพรมแล้วปั๊บเนี่ยมาจุติได้ไหมอุบัติได้ไหมได้ไงคือ อ, อาจารย์ทั้งสองนี่ไม่รู้พระเจ้ mm hmm. าจึงจับประเด็นของความไม่รู้ว่าเพราะชนทั้งหลายที่ผ่านมาในการบําเพ็ญนี่ไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจในความเวียนว่าตายเกิด mm hmm. จึงจับประเด็นของอวิชชาเนี่ยเป็นโจทย์แล้วมานั่งพิจารณามาตีความหมายอาวิชชาปัญยาสังขาราความไม่รู้เป็นปัจจัยก่อให้เกิดสังขาร สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณความไม่รู้ก่อให้เกิดสังขารยังไงอย่างที่พวกเราโตกันขึ้นมาเนี่ยถามว่ารู้เลยทีเดียวไห ม, ไมต้องมาสอนให้รู้ใช่ไห ม, ไมถามว่าเรารู้หรือยังที่เราเรียนมาเนี่ยรู้หรือยังยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ครบรู้แต่ในเรื่องของทางโลกใช่ไห ม, ไมรเรารู้ในเรื่องของวิชาการอ่านออกเขียนได้ บวกเลขลบคุณหารได้พูดภาษาอังกฤษได้แต่ตมาไม่ตั้งใจเรียนเลยพูดไม่ได้ก <c oughs> ็เลยไม่รู้ <c oughs> พูด แ, แต่ a b c d มันดันขี้เกียจเรียนจะว่าขี้เกียจก็ไม่ใช่หัวมันทึบมันหัวมันไม่ไปกับการเรียนมันไม่ฉลาดเนี่ยมันก็เลยเขาเรียกว่าเราจะต้องมาถูกสอนให้รู้แต่และเรื่องแต่และเรื่องแต่และเรื่องแต่แเรื่อง ที่ไม่ได้ถูกสอนเลยในวิถีแห่งความเป็นจริงของชีวิตของเราคือการดับทุกข์เราไม่ได้ถูกสอนเราถูกสอนให้สร้างแต่ทุกข์เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่นั้นเป็นมูลเหตุเป็นละสมุทยัยมูลเหตุแห่งความทุกข์เพราะความไม่รู้นี่แหละมันเลยเป็นปัญหาทำให้เราทำสิ่งที่เราไม่รู้นั่นโดยเข้าใจว่าเป็นความรู้อยู่เสมอเราเลยทาสิ่งที่ไม่รู้ ด้วยความที่เข้าใจว่าเรารู้นั้นว่าเป็นสาระเป็นสิ่งที่เป็นความจริงเราก็เลยยืดถือสิ่งที่ไม่รู้ไปในตัวโดยที่ตัวเองไม่รู้แต่ทีนี้การที่พระองค์ทรงบรรลุ ถ, ถึงความรู้ได้โฮงก็เอาความไม่รู้นี่แหละมาตั้งเป็นโจทย์อยู่กอให้เกิดสังขารสังขารที่ดีบนะุญญาที่สังขารสังขารที่ดีคิดจะทำประโยชน์ต่อโลกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมแต่รู้ไหมว่ามันมีความไม่รู้อยู่ในการการะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์รู้ไหม <Okay. S 1> เอาอย่างนี้ดีกว่าทำดีนี้ดีไหม ด, ดีไหม ด, ดีทำดีนี่ดีแต่รู้ไหมว่าขณะที่ทำดีมันมีความไม่รู้อยู่ในนั้น mm hmm. รู้ไหมไม่รู้รเราไม่รู้ เพาอะไรก็ so ally, ทำด so we ีมันดีถูกต้องไหมถามว่าแล้วทำดีมันดีแล้วเราไม่รู้ในสิ่งที่ความดีที่เราทำเนี่ยแล้วมันกลายมาเป็นเชื้อแห่งภพก่อให้เกิดการเกิดและเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์ได้ยังไงสังเกตคนที่ทำดีเถอะสังเกตเธอไอคนที่ทำดีเน่ยเคยสังเกตไหมแม่งแม่งกูทำดีแทบตายกู กูไม่เห็นได้อะไรอะไรมาเห็นก็ยังมีนะเห็นไหมบางทีก็ทําด so ีมาทั้งชีวิตแต่ทําไมทํายังทุกข์อยู่พระอาจารย์โยมก็ทําบุญมาตลอดนะสิบกว่าปีมาดิแต่ทำไมโยมยังทุกข์อยู่หรือว่าเอาบุญที่โยมทําทำไม่ดีกลับมาช่วยโยมเลยอะไรแบบนี้ยเห็นไหมความไม่รู้เป็นบุญเหตุแห่งความทุกข์ความไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าดีหรือไม่ดีแต่มันเป็นปัจจัยที่เกิดสังขาร เพราะเราไม่รู้น่ะเราจึงทําดีเราจึงทําบุญจึงทําบาปเอางั้นก็ไม่ต้องทําไม่ต้องทําก็ผิดเอาแล้วทํายังไงล่ะทํำยังไงมันถึงจะถูกมันจะไม่ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทำความดีให้มีความรู้ตามความเป็นจริงในความดีทําความไม่ดีก็ให้มีความรู้ตามความจริงในความไม่ดีแล้วทํายังไงถึงจะเป็นความรู้ ให้เกิดความรู้ให้สร้างความรู้ขึ้นมาภายในตนว่าทำดีก็จะนำมาซึ่งผลดีทำไม่ดีก็จะนำมาซึ่งผลไม่ดีเมื่อทำดีนำมาซึ่งผลดีก็ต้องยอมรับผลดีเมื่อทำไม่ดีแล้วนำมาซึ่งผลไม่ดีก็ต้องยอมรับในผลที่ไม่ดีแต่ปรากฏว่าในขณะที่เราทำดีอยู่มีผลไม่ดีเข้ามาแล้วเราก็บอกว่าเราทำดีอยู่ทำไมเรารับสิ่งที่มันไม่ดี เพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าไอความไม่ดีที่มีมาหาเราเนี่ยมันเกิดจากความไม่ดีมาแต่ปางก่อนเขาบอกว่าแล้วแล้วปางก่อนมันส่งผลข้ามภพข้ามชาติกันอย่างนี้เหรอผู้เจ้าจึงบอกว่าหนึ่งไม่รู้อดีตใช่ไหมคือเหตุปัจจัยที่มีมาแต่อดีตเขาเรียกว่อาอะไอติเต อาตีเตเายญานังไม่รู้จักอดีตอาณาคาเตีายญาณังไม่รู้จักอนาคตปัจจุปันเนายญานังภาษาไม่รู้จะพูดถูกหรือเปล่านะไม่แน่ใจเรื่องของของาลีเนี่ยคือไม่รู้อดีตคือไม่รู้เหตุปัจจัยที่ส่งผลมาจากอดีต <Dum mies> <พ>ไม่รู้เหตุปัจจัยที่ส่งผลเป็นไปในอนาคตแล้วก็ไม่รู้เหตุปัจจัยที่ กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันคือความไม่รู้ครอบงำสามการเนี่ยจึงเป็นเหตุก่อให้เกิดสังขารแล้วสังขารเล่านั่นหมายถึงว่าเมื่อเรากระทำดีปั๊บเมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีแทรกเข้ามาเราจะรู้สึกท้อแท้ท้อถอยในการทำดีเมื่อรู้สึกท้อแท้ท้อถอยในการทำดีออำดความคิดรับหนึ่งจะขึ้นมาโอ้ทาดีไปก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรไม่ทาดีกว่าหนึ่งและประเภทหนึ่งและ ประเภทที่2ยิ่งเกิดสิ่งที่ไม่ดีแทรกเข้ามาก็ยิ่งมีความภาคเูมิใที่จะทําดีให้ยิ่งขึ้นไปโดยที่เขาเรียกว่าไม่ไม่คลอนแผนมีใจมั่นคงต่อการทำดี mm hmm. เขาเรียกว่าทําดีด้วยความเชื่อมั่นในความดีก็ทําไปอันนี้กลายเป็นยึดดีหรือว่าติดดีไปอย่างนั้นเพราะความทําดีได้ดีจริงแต่ทําดีไม่ได้ทําให้พ้นผูก ความดีส่งผลไปสู่พบที่ดีหรือให้ผลที่ดีหรืออำนวยผลในทางที่ดีจริงแต่ยังไม่ใช่การดับทุกข์อนเนี้ยเมื่อเขาไม่รู้ว่าการยึดดีนําไปสู่ผลดีอย่างเดียวไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เขาก็ยังต้องทําดีอย่างนั้นตลอดแต่ในความหมายของพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าไม่ให้เราทําในสิ่งที่ไม่ดีนะคือพรองค์ทรงสอนให้เราเข้าใจว่าทำดีก็ต้องได้รับผลดีทําไม่ดีก็ต้องได้รับผลไม่ดี เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดกับชีวิตของเราจะดีก็ตามจะไม่ดีก็ตามล้วนแล้วแต่มาจากมูลเหตุแห่งการการะทำอย่าไปทุกข์กับเรื่องพวกนี้นะพอเข้าใจไหมในความหมายของขุนเจ้าคือดับอวิชชาอย่าไปทุกข์กับเรื่องที่มันก่อให้เกิดความวุ่นวายภายในจิตในใจเพราะอะไรเพราะความทุกข์จะทําให้ปัญญาของคนมืดบอดคนจะไม่เกิดปัญญารู้ทําตามความเป็นจริง ถ้ายังมีความทุกข์อยู่ยพระยพุทธเจ้าจึงสอนให้ดับความทุกข์ดับความกังวลกังวายดับความดิ้นรนเพเยนพยานต่างๆ่านาน า, นานแต่ไม่ได้ห้ามการทําความดีโอไม่ได้ห้ามเนี่แหละคือคือประเด็นเมื่ออวิชชามันครอบงาใจที่ทําให้คนไม่ทราบเหตุของอดีตเคยทําอะไรมาแต่อดีตอ่ะทําไมถึงได้รับผลปัจจุบันอย่างนี้ ไม่รู้อีกไม่รู้แล้วก็เลยเราไปหาความรู้จากไหนจากสำนักทรงเขาทายว่าอดีตชาติมันทำกรรมอย่างนี้มานะแล้วทำไงต่อที่นี้เขาให้แก้ก็ไปแก้กรรมใช่ไหมเคยแก้มาถูก <Okay. S 1> ต้อง <laughs> แล้วคู้ได้เจ้าให้ทำยังไงใหยมรใช่ผู้เจ้าบอกให้ยอมรับให้ยอมรับเลยแบบ ด้วยปัญญาว่าอ๋อแม้จะไม่รู้ว่าอดีตชาติเคยทาอะไรมานะแต่ให้รู้ด้วยปัญญาเลยว่าเคยทํามาผลจึงมาสู่ความเป็นแบบนี้เป็นไปไม่ได้ที่ผลมาเป็นแบบนี้แล้วไม่ได้มาจากเหตุแห่งการกระทําในอดีตเป็นไปไม่ได้ต้องมาจากอดีตไม่อดีตชาตินี่ก็อดีตชาติก่อนไม่ชาติก่อนก็ชาติก่อนโน้นไม่ใช่ชาติก่อนโน้นก็ก่อนก่อนโน้นอย่างเงี้ยนะมันต้องมีการเหตุแห่งอดีตมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้ว การที่บอกให้รู้อดีตไม่ใช่ไปตามรู้อดีตชาติว่าเราเคยทํากรรมอะไรมาคือแต่ให้รู้ตามหลักคําสอนได้เลยว่าเพราะทําเหตุอย่างนี้แต่อดีตจึงนํามาส่งผลอย่างนี้นัแค่นั้นแหละเพราะไม่ตั้งใจเรียน <c oughs> ก็ไม่เกิดความรู้เพราะติดอยู่กับเกมมานอนาะเจ๊เนาะเจ๊เลยทําให้ออกจากหน้าจอไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มันมันเริ่มเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมา ในหลักคำสอนคุยว่าความไม่รู้ก็เริ่มถูกทําลายไปไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําขนาดนี้ยจะส่งผลไปสู่อนาคตแน่นอนบางคนไม่รู้นะว่ะะขาขณะที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งฟังเทศอยู่นี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามีทิพย์ยิมานอยู่บนสวรรค์รองรับไปแล้ว<ม>เราไม่รู้แต่รู้ตามคําสอนได้เลยว่ามีเข้าใจไหมคือให้รู้ตามคําสอนไปเลย พอผลจากการฟังธรรมนั้นจะจุติอยู่บนจารุงวิมานเป็นเบื้องต่ำใช่ไหมถ้ารู้เนื้อความในธรรมนั้นจะเข้าไปสู่ดาวบดึงเมื่อเข้าใจในเนื้อความแห่งธรรมมากเข้าก็จะไปสู่ยามาและน้มนำธรรมไปปฏิบัติก็จะไปสู่ดุสิตก็จะเป็นตามลำดับอย่างนี้เพราะว่ากบฟังธรรมแม้ไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่านี่คือเสียงธรรมก็ยังไปสู่จารุงเป็นเบื้องต้น มีพิมานที่พิมานปรากฏรองรับใ น, นขณะนาดที่ตายเขาจึงนิยมให้มีการฟังเพศก่อนตายนะแต่ทีนี้มีคนมีการเขาเรียกว่ายึดถือการฟังก่อนตายจนกลายเป็นว่าคนที่ตายเพราะการฟังทำนั้น เข้าถึงธรรมและการบรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาโดยยึดถือสิ่งที่แสดงออกภายนอกเช่นกายของใสว่าบุคคลผู้นั้นได้เข้าถึงการบรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เป็นหลักตกกรรกะที่ผิดเพี้ยนจากหลักความจริงเป็นแค่หลักตรรกะคือหลักความคิดที่น่าจะเป็น เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันมีการยึดอย่างนั้นอยู่ก็มีคนมาถามอาตมาว่าสามารถเป็นอย่างนั้นจริงได้ไหมพระอาจารย์อาตมาบอกว่ายืนยันว่าไม่สามารถเป็นอย่างนั้นจริงเป็นไปไม่ได้แต่ถามว่าคนบรรลุธรรมก่อนใกล้ตายมีไหมมีบรรลุธรรมก่อนใกล้ตายก็มีบรรลุธรรมตอนที่จิตดับปึ๊บจุติอุบัติพัพแล้วก็เกิดบรรลุในขณะ น, นั้นก็มี บรบรลุโดยการจุติเคลื่อนปับ๊บอุบัติปับ๊บแล้วก็ดำลงอยู่ในภพนั้นแล้วเกิดสภาวะธรรมรู้แจ้งการเกิดการดับในวิถีชี้ิตขงตนแล้วทําปัญญาให้แจ้งบรรลุในขณะนั้นก็มีจุติปับ๊บอุบัติเพิ่มแล้วดำลงอยู่ในเทพวิมานอันยืดยาวนานแล้วบรรลุอยู่ในเทพวิมานก็มี <c oughs> แต่การลงความเห็นว่าฟังเทพเอาเอาเอ า, เอาเครื่องฟังใส่หูเนี่ยฟัง ตอนที่อาพาดอยู่จนถึงตายไปเลยเนี่ยบรรลุทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นยากมากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้การที่บุคคลที่จะบรรลุทำได้ก่อนใกล้ตายหรือหลังตายหรือไปบรรลุหลังจากอุบัติไปแล้วนั้นจะบรรลุได้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นภาเพียรจนคือทั้งชีวิตทำมาจนเรียกว่าเป็นเป็นเครื่องรองรับในจิตแล้ว คือมันทำเองอัตโนมัติในจิตแล้วอันนั้นอ่ะไม่เกี่ยวกับการเป็นหรือการตายไม่เกี่ยวจิตมันทำงานขพามันเองเพื่อยุติการสื่อต่อภพชาติอันนั้นอ่ะมันถึงจะสามารถบรรลุได้ในความหมายในกรณีเนี้ยใช่แต่ในกรณีที่ตอนเป็นชีวิตมีชีวิตอยู่ฟังเทศก็ไม่อยากจะฟัง ฟังทำก็ไม่อยากจะฟังหรือฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องหรือมานั่งฟังก็มัวอยา ก, ยา ก, ยากจะจะจะหลับอะไรอ่งเงี้ยมัวเงียกันอยู่อย่างงั้นนะ่ะนะแล้วจะไปฟังตอนใกล้จะตายอันเนี้ยขนาดเป็นๆอยู่ยังจะไม่รู้เรื่องอยู่นะไอ้กใกล้ๆจะตายได้ไปฟังแล้วมันจะเอารู้เรื่องมาจากไหนวะน่ะ น, นะก็ยังก็ได้อยู่แบบได้ได้บุญไหมได้บุญบุญหานะไหนก็แบบปก แบบนั้นอ่ะคือปรุงแต่ ง, จงใจที่เป็นบุญได้อยู่ก็สุขติสวรรค์น่ะได้แต่จะให้บรรลุทำอย่างใดอย่างหนึง่งไม่ได้เด็ดขาดขออีนึงกัน<ม>เพราะคนที่เป็นเป็นอยู่เนี่ยกว่าจะเข้าไปรู้ได้เนี่ยแทบเป็นแทบตายเหมือนกันทำมาหลวงรุ่นเจ้าไม่ใช่เข้าไปรู้แบบง่งายๆไม่เนี่ยแทบเป็นแทบตายทำไมถึงเรียกว่าแทบเป็นแทบตายก็ตนเองผ่านการปฏิบัติอย่างนั้นมาแทบเป็นแทบตายมา ไปถึงไหนแล้วทีนี้เอาดอาดีตอันรู้อดีตอวิชานี่ใช่ไหมไม่รู้อดีตใช่ไหมไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันว่าขณะปัจจุบันนี้คือผลรวมของทําอันอาศัยกันเกิดขึ้นเนี่ยคือเรียกว่าไม่รู้จักผลรวมของชีวิตที่เป็นอยู่ว่าปัจจุบันที่ตัวเองกําลังจะ ก, การะทําอยู่เนี่ยหรือเริ่มที่จะกระทําหรือเป็นไปเพื่อที่จะกระทําขณะเนี้ย เรารู้เราเข้าใจในสิ่งที่เรากระทำไหมว่ากระทำลงไปด้วยกําลังของกราคาโทสะหรือโมหะเรารู้ไหมเราไม่รู้ขณะที่เราตื่นขึ้นมารู้ไหมว่าขณะจิตนั้นประกอบด้วยราคฆาโทสะหรือโมหะไม่รู้เป็นโมหะแล้วคือรู้เลยว่าเป็นโมหะตื่นขึ้นมาปับ๊บจิตเรามีโมหะปกกุมแล้วรู้เลยทีนี้นี่เป็นโมหะพอเจอสิ่งที่ขัดใจโทสะ พอเจอสิ่งที่ชอบใจราคา<ะ>นี่ยอยู่แค่เนี้ยเข้าใจไหมขณะปัจจุบันที่เป็นอยู่ขณะนี้จิตเป็นราคาโทราหรือโมหะฮะไม่มีไม่มีเอาไปปรับปัามตัวเองว่าเป็นราคาได้ยังไงชอบ่างนะชอบฟั ง, <ะ>ฟงถูกต้องชอบฟังธทมแต่ทมนั้นเป็นไปเพื่อการดับราคาโทสาโมหะ มันจึงไม่ใช่ราคะเพราะทำทำทั้งหมดที่ฟังได้ยินได้ฟังดับราคาดับโทสะดับโมหะขยเรียงคือดับน้อยน้อยก่อนดับความไม่รู้น่ะดับน้อยน้อยก่อนดับโมหะดับความหลงที่ไม่รู้จริงของเราความหลงนี่ไม่ใช่หลงลืมนะไม่ใช่ประเภทนั้นนะคือหลงไม่รู้จริงก็เรียกว่าโมหะคือไม่หลงคือเรียกว่าไม่เข้าใจชีวิตตัวเองตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ขนาดแห่งกิตที่เป็นอยู่ในขณะปัจจุบันเนี่ย ตัวเนี้ยจึงจึงให้รู้ขนาดนี้เมื่อเรารู้ขนาดนี้แล้วปั๊บอวิชชาคือความไม่รู้ก็ถูกทําลายไป mm hmm. กลายเป็นการรู้แล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าจิตเราตอนนี้ไม่ได้ปกคุมด้วยราคะโทสะหรือโมหัไม่มีกิเลสแล้ว น, นั่นเองแต่กิเลสไม่ได้หมด mm hmm. เพียงแต่ว่าอาศัยเหตุปัใจจัยใหม่เข้าไปทดแทนคือด้านกุศลกรรมในทางธรรม mm hmm. กานได้ยินได้ฟังเนี้ย mm hmm. กิเลสไม่ปรากฏเท่านั้นเอง แต่ไม่ได้เป็นการละแต่เมื่อกําหนดหมายใจอย่างนี้อยู่บ่อยๆอยู่เสมอๆภายในจิตมันจะค่อยเข้าไปละละละละละล ะ, ล ะ, ละตามลําดับไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันแล้วก็ไม่รู้ดุ๊กเขอาญานังไม่รู้ทุกยังไสับหมุดไดเยอาญานังไม่รู้เหตุให้เกิดทุกนิโลเทอาญานังไม่รู้ความดับไปของทุกดุกขานิโรดะกามีนี ปฏิป ด, ดาเยอาญานั่งไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกอวิชาทำให้เราไม่รู้ในสิ่งนี้เมื่อไม่รู้ทุกมากขณะที่เป็นอยู่ขณะนี้ น, นั่งอยู่เวลานี้แม้ไม่มีราคาโทรศาโมหะอยู่มีทุกอยู่ไหมมีเอก้อนนี้เมื่อกอนนี้เมื่อมันมีข้อกาหนดไว้ไหมว่าความทุก มาจากสมุทัยคือเหตุเหตุก็คือเหล่ากิเลสทั้งหลายไม่ใช่เหรอแล้วทุกทีมีอยู่ในเวลานี้ <c oughs> เมื่อไม่มีราคาตัวสาโ ม, มหะเป็นโมนเนี่ยเป็นรากเก้าของการของความทุกข์ทำไมทุกข์ยังมีอยู่ทุกข์ทางกายอันนี้คือส่วนผลใช่ไหมอันนี้เป็นทุกข์ส่วนผลใช่ไหมอ <c oughs> อันนี้เป็นทุกข์ส่วนผลที่มาจากเหตุ ข, ของอดีตคือการเกิดชาติการเกิดนํามาซึ่งความทุกข์เป็นผลแล้ว <c oughs> เป็นผลมาจากชาติ คือการเกิดเรียกว่าคลอดมาจากคันบังเกิดขึ้นลืมตาดูโลกนี่แหละ เ, เรียกว่าเป็นทุกข์แบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเมื่อเจ้าบอกว่าแม้ไม่มีราคาโทสะโมหะในคิดในเวลานี้แต่มีทุกข์อยู่รู้ทุกข์ไหมในขณะนี้รู้ไหมว่าขณะนี้เป็นทุกข์อยู่รู้รู้ทุกข์คือรู้ในกายสังขารเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เพราะความทุกข์ไม่ปรากฏที่ไหนปรากฏที่กายนั่งอยู่ก็เมื่อย แม้แต่กระพิบตาข้างหนึ่งก็คือทุกข์เพราะไม่มีใครลืมตาได้ตลอดทั้งวันใ ช, ใช่ไหมเพราะฉะนั้นขน้าที่กระพิบตาจึงเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความทุกข์คือถูกความทุกข์บีบคั้นจึงกระพิบอย่างเงี้ยกายสังขารมีทุกข์จิตตสังขารมีทุกข์เมื่อเรารู้ทุกข์แล้วเหตุให้เกิดทุกข์ในความหมายของพระเจ้าคือเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยมีอยู่สองเหตุเหตุที่ผ่านมาแล้วคือมาจากการเกิด แต่เหตุในปัจจุบันสมุทยสรไทยเนี่ยเหตุให้เกิดทุกอันใหม่เนี่ยที่รู้จับเห็นละแต่เหตุที่ผ่านมาแล้วน่ะมันละไม่ได้เพระยาะยังเหตุที่มาจากราคาโทสศโมโหหต่แต่ที่เราสร้างมาแต่ปางไหนมันละไม่ได้แต่เหตุที่จะสร้างใหม่ในเวลาเนี้ยเราละได้คืออย่าใช้ความอยากอย่าใช้ตันหาการที่เรารู้จักปุ๊กแล้วก็รู้จักเหตุใหม่ที่จะถูกสร้างขึ้นด้วยอํานาจแห่งตันหาแรงขยานอยาก นั่งฟังเทศอยู่นี่ใจอยากจะไปไหนมั่งวันนี้วันหยุดยังมีเวลาที่จะไปนั่นไปนี่อยู่นะใจมนคิดอยากจะไปโน่นอยากจะไปนั่นพยักหน้าอยู่นะเมื่อไหร่จะรีบเทศให้จบเร็วๆนะพระอาจารย์หนี้นะก็มันทุกข์อยู่นี่จะไปไหนก็ทุกข์นะจะไม่คิดว่าจะไปตรงนู้นถึงจะสุขไม่มีหรอกนั่นหมายถึงว่าถ้าเรารู้ทุกข์อยู่ในขณะนี้ มันจะไปเป็นความสุขได้ไหมชีวิตนี้เป็นความสุขไม่ได้แต่ถ้าความสุขเกิดขึ้นปฏิเสธได้ไห ม, ไมปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับความทุกข์เกิดขึ้นก็ต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับเพราะชีวิตนี้มันเป็นผู้ขัดจังเป็นความทุกข์มีมูลเหตุแต่เหตุไมตรยะสร้างเพิ่มเมื่อไม่สร้างเหตุ ข, ของทุกข์เพิ่มจากเหตุเดิมที่มันมีอยู่ความทุกข์คือสมุทัยนี้ก็ถูกละเมื่อสมุทัยนี้ถูกละนิโรธก็ปรากฏ คือความดับไปของเหตุนั้นก็ปรากฏเมื่อความดับไปของเหตุปรากฏแล้วการที่เข้าไปรู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกเรียนรู้ความดับไปของเหตุนี้อยู่บ่อยก็เป็นนิโรธ伽มดีปฏิปทาอริยสัจเป็นความจริงที่ปุคคลผู้ปฏิบัติในหนทางนี้จะสามารถดับทุกข์ได้อย่างถาวรเห็นไหมไม่รู้ทุกข์ก็มารู้ทุกข์ไม่รู้เหตุก็มารู้เหตุไม่รู้ความดับไปของเหตุก็รู้ความดับไปของเหตุไม่รู้ทางดับของเหตุก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยเคือทางดับของเหตุ ดับทางดับเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงอวิชาก็ถูกทำลายไปในขณะนี้แล้วไม่รู้อันสุดท้ายคืออะไรไม่รู้จักปัจจุบาทเมื่อเรารู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกเอ า, อางี้่เมื่อรู้อดีตส่งผลปัจจุบันรู้อนาคตมากการการะทำในปัจจุบันนี้ส่งผลไปอนาคตและรู้ปัจจุบัน่าปัจจุบันนี้ จิตของเราประกอบด้วยราคะโทสะหรือโมหะหรือไม่ประกอบด้วยราคะโทสะหรือโมหะเนี่ยรู้อย่างนี้ปั๊บคือคือรู้ปัจจุบันแล้วก็ ร, รู้ว่านี่คือตัวทุกข์เท่านะั้นทุกข์เป็นกิเลสหรือเป็นไม่ใช่กิเลสทุกข์ไม่ใช่กิเลส เ, เมื่อทุกข์ไม่ใช่กิเลสจึงไม่ใช่สิ่งที่ควรละถูกต้องไหมเป็นสิ่งที่ควรกบฎรู้สมุทยัยเป็นกิเลสหรือไม่ใช่กิเลสเป็นกิเลสเป็นของกวรละหรือควรเจริญกวรละไม่ควรเจริญขึ้น ความอยากทั้งหลายนั้นกวนแต่ความอยากที่จะนำไปสู่พบใหม่านั้นจึงกวนละความดับไปของทุกเป็นกิเลสหรือไม่ใช่กิเลสไม่ใช่เป็นของควรทำให้แจ้งคือให้เห็นความดับไปคือเราอย่าไม่เมื่อเราไม่ใช้ความอยากความทุกข์ที่จะเกิดมาจากความอยากก็จะดับให้เห็นความดับอยู่ในใจอยู่เสมอว่า เมื่อไม่อยากความทุกข์อันเกิดจากความอยากที่เราจะสร้างขึ้นใหม่เนี่ยมันไม่เกิดมันก็จะดับไปหรือมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ละมันนั่นเห็นการปับของมันนั่นหมายถึงว่าเมื่อเห็นตัญหาขึ้นมาในใจในข่าวข้างใดก็ตามให้อดทนที่จะไม่ทําตามอานาจของตัญหาจนเห็นปัญหาดับเมื่อเห็นตัญหาดับไปแล้วก็เรียกว่าการทํานิโรธให้แจ้งคือเห็นความดับไปของเหตุเอาบางคนบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้อยากจะซื้อเสื้อใหม่สักตัวหนึ่งความอยากเกิดขึ้น แล้วถ้าเราทำตามความอยากเป็นเหตุแห่นพุกเลยงั้นเราก็ซื้อเสื้อไม่ได้เลย่าไงข้อปฏิบัตินี้ขัดแย้งกับชีวิตประจาวันทุกคนเราก็ต้องมาพิจารุดูว่ามันมีเยอะแล้วอยังถ้าถ้ามันมีเยอะแล้วซื้ออีกก็เป็นกิเลสไม่ใช่ไม่ใช่ในความหมายของพระเจ้าหรือหลักธรรมไม่ใช่อย่างนั้นเราให้เราเข้าใจหลักธรรมที่แท้จริงนะ ไม่มาเจอความอยากความถูกใจกับตัวนี้ชุดนี้แล้วต้องเป็นแบบนี้<ช>ไม่มันตรงสเปคทุกประการเลยอว้รอย่างเงี้ย<ช>เราใส่ไปแล้วคงจะเข้ารูปเข้าทรงของเราอย่างนี้นะ<ช>มันถูกใจในบททุกอย่าง<ช>ความอยากเกิดใช่ไหม ใ, <ช>ใครเจอแบบนี้ต้องเกิดความอยากใช่ไหม<ช>เราจะวิปัสสนามันอย่างไรเราจะใช้ข้อธรรมอย่างไงที่จะทํำลายความไม่รู้ตัวเนี้ยเราต้องมาพิจารณา สังเกตดีๆพระเจ้าให้ทำลายความไม่รู้นะไม่ให้ไปทำลายที่ตันหานะตันหาเกินเนี่ยพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้ทำลายนะแต่พระเจ้าบอกให้ละละยังไงละโดยการรู้รู้ยังไงรู้ว่านี่คือตันหาเกิดแล้วนี่คือตันหาเกิดแล้วดูตันหาก่อนอย่าเพิ่งรู้เสียท่าดูตันห์ไปเรื่อยๆมันอยากแค่ไหนยังไม่ซื้อหยุดก่อนหยุดดูก่อน หุดดูตันหาที่เกิดอยากขึ้นอยากขึ้นอยากขึ้นอ ย, ยากขึ้นมันจะค่อยบีบใจมันจะค่อยบังคับให้เราเค้กสตางอยู่ใ น, ในในในกระเป๋ามีเท่าไหร่ในบัญชีมีเท่าไหร่แม่เดี๋ยวคนอื่นเอาไปก่อนไม่ ไ, ม ไ, ด, ไ, มได้ไม่ได้จะไม่ทันเวลาอย่างเงี้ยมันจะคิดมันสารพัดมันจะปรุงแต่งเข้าใจไหมความไม่รู้ก่อให้เกิดสังขารจำไว้เลยมันจะปรุงแต่งไปสารพัดเพื่อที่จะให้เราซื้อในเวลานนั้ให้ได้อย่างเงี้ย สุด ท, ท้ายเวลาซื้อไปเป็น ย, ยังไงห้อยอยู่งั้นแหละไม่เคยได้ใช้สักเท่าไหร่ เ, <laughs> <laughs> เวลาเราพู้ได้เจ้าไม่ได้ให้ไปดับที่ความอยากแต่ผู้เจ้าให้รู้จักความอยากที่เกิดขึ้นแล้วดับไปรู้จักความอยากที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเมื่อเห็นความอยากเกิดขึ้นแล้วดับไปนั้นกะเรียกว่ามีความรู้ในสซบูไทยเข้าใจไหมนั่นหมายถึงว่าไม่ให้ความอยากครอบงําแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ไม่มีความอยากแต่ไม่ให้ความอยากนี้ครอบงาจิต เมื่อเราเห็นความอยากเกิดดับเกิดดับเกิดดับมากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้าเราจะเกิดปัญญารู้รู้แจ้งทางปฏิบัติเพื่อความดับไปของความทุกข์เราจับไม่ทุกข์เพราะความอยากแต่ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ซื้อซื้อได้แต่เราเห็นความอยากไหมที่เกิดระดับในจิตเราเราเห็นไหมเราเห็นเพื่ออะไรเพื่อทําลายความไม่รู้เท่านั้นเองจุดประสงค์เนี่ยไม่งั้นนางวิสาขาจะมีเครื่องประดับนางเป็นสวดับบันเลยนะ ซึ่งทำลายความอยากมาได้ในระดับหนึ่งแล้วตันหาทำลายมาแล้วในระดับหนึ่งซึ่งตันหาไม่นำสู่ไปพบที่แปดนีางก็ยังมีเครื่องประดับชื่อว่ามาหาาดาเนี่ยราคา9โกรดเห็นไหมนางยังต้องทำหรืวอว่าใช้รือยินดีในเครื่องประดับอันนี้ได้ยังตกแต่งร่างกายด้วยของสวยของงามอยู่ดูแลร่างกายอย่างดียังกระสาอายุ18 19 นางวิสาขานะนะลูกกับแม่หน้าตาเหมือนกันเลยอายุผิวพรรณเท่ากันเลย mm hmm. นางวิสาขากับลูกเนี่ยอายุส mm ิบแปดสิบเก้าเขาก็เลยแก้ให้ออกว่าใครเป็นนางวิสาขา mm hmm. คนไหนเป็นนางวิสาขาหน้าตาก็เหมือนกันผิวพรรณก็เหมือนกันวัยก็เท่ากันแต่นางวิสาขาก็อายุร2อ ย, ยี่สิบปีใช่ไหม mm hmm. แต่เหมือนคนอายุส mm ิบแปดสิบเก้าให้ดูตอน ลุกขึ้นเรียวแรงมันถดถอยแล้ว <laughs> ตอนดูตอนลุกขึ้น <laughs> อยากได้ไหมอยากได้แบบนังวิสาขามั้ยทำ <laughs> <laughs> บุญเยอะๆฮะปัดชิมอะยามยังไม่เสร็จแล้วมันจะมันจะถึงนู่นแล้วไงว่าว <laughs> ันนี้ทำไมพูดเยอะจังเว้ย <laughs> <laughs> <laughs> มันใส่กาแฟมันเยอะ <laughs> ทีนี้เราก็มาทราบว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นผลรวมของเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะไม่รู้ในสิ่งนี้จึงเกิดเป็นสิ่งนี้ใช่ไหมเพราะไม่รู้ในสังขารทางเนี้ยจึงมีสังขารสืบเนื่องต่อไปเป็นวิญญาณวิญญาณนําไปสู่วิญญาณปฏิสนธินําไปสู่นามรูปใช่ไหมขอให้เกิดนามรูปนามรูปไปสู่ให้เกิดอาญานะเนี่ยเรว่าเรียนรู้เหตุ ป, ปัจจัยพวกเนี้ย หากเราเข้าใจหลักเกณฑ์ข้อนี้ปั๊บจับดูความไม่รู้ความไม่รู้เกิดขึ้นปั๊บนําไปสู่ความทุกอวิชชาปัจจญาสังขารจัดอยู่ในอริยสัจข้อที่เท่าไหร่ความไม่รู้เป็นปัจจัยที่เกิดสังขารจัดอยู่ในส ม, มุทัยส<ม>ัจจ์ใช่ไหมอริยสัจข้อที่สองใช่ไหม นิโรธสัจจะคืออวิชชาจัตเววะอาศสามเลาคัานิโรโทรสังขาระนิโรธาเมื่อความดับไปไม่เหลือของอวิชชาสังขารจึงดับการดับไปของอวิชชาจึงจัดอยู่ในนิโรธมีอวิชชาเกิดจึงเป็นสมุทยัยเมื่อเราทำลายอวิชชาได้จึงเป็นนิโรธการรู้อดีตรู้อนาคต ร, รู้ปัจจุบันรู้ทุก รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับไปของทุกข์และรู้ปฏิจสมุปบาทคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอาศัยกันเกิดขึ้นนี้อวิชาก็ดับเมื่ออวิชาดับอยู่ในนิโรธคือกิจที่เราจะต้องทําให้แจ้งทุกข์ขัดจักอยู่ที่ไหนนะพุทธเจ้านั่งพิจารณาปฏิจสมุปบาทคือนิโรธบาลกับสมุทัยบาลกับนิโรธบาลสายเกิดกับสายดับคือดูการเกิดดูการดับเท่านั้น แต่ทําไมผู้เจ้าไม่ไม่ดูทุกขัตสัจจกทุกขัสัจจะอยู่ไหนทุกขัตริสัจจะเป็นผลไปจากสมุทัยผู้เจ้าจึงไม่กําหนดดูคือรู้แล้วกําหนดไว้แล้วแต่จะดูเฉพาะอาวิชชาว่าขณะจิตของพงขณะ น, นี้รู้หรือหลงเข้าใจไหมรู้หรือหลงจิตมัน มันจะทําการปรุงแต่งในตัวของมันปรุงแต่งการปรุงแต่งในจิตเนี่ยปรุงแต่งแล้วพออง์รู้การปรุงแต่งของจิตหรือเปล่าหมายถึงว่าสังขารในจิตมันมีอยู่แล้วแต่พอองษ์รู้สังขารในจิตหรือเปล่าถ้าพ อ, องษ์รู้ความไม่รู้กระดับ ก, ก็เป็นนิโรธพ อ, องษ์จึงเห็นสมุทัยวานกับนิโรธวานสองอย่างว่าดูสิ่งที่เกิดสิดับหมายถึงว่าอารมณ์ใดก็ตามปรากฏกับจิตรู้จากอารมณ์นั้น อารมใดดับหาไปจากจิตก็รู้จักอารมณ์นะั mm ้ hmm. นเท่านั้นเองพง์ก็นั่งดูเกิดดูดับดูเกิดดูดับเพราะถ้าไม่รู้จักอารมณ์ที่เกิดสมุทัยเกิดถ้ารู้จักอารมณ์ที่เกิดนิโรธ mm hmm. เกิดเพราะบางอารมณ์บางขณะอย่าลืมว่าพระเจ้าเป็นบะุรุษชนนะเออไม่ยังยังไม่ใช่พระเจ้านะขณะที่บำเพ็ญอยู่นั้นยังมีความเป็นบุรุษชนยังสามารถหลงตามอารมณ์ได้อยู่ ยังหลงตามอารมณ์ได้อยู่อารมณ์เกิดปุ๊บรู้ทันดับปุ๊บอ๋อเพราะตรงนี้นี่เองเนี่ยพอทราบได้เพราะรู้สมุทัยและรู้นิโรธรู้การเกิดการดับการเกิดการดับสมุทัยคือการเกิดนิโรธคือการดับอารมณ์ใดเกิดนั่นคือสมุทัยอารมณ์ใดดับนั่นคือนิโรธอารมณ์ใดเกิดนั่นคือสมุทัยอารมณ์ใดดับคือนิโรธรู้เกิดดูดับรู้เกิดดูดับดูเกิดดูดับมันจึงไม่สื่อต่อไงมันดับอยู่ตรงนั้นเลย มันจึงไม่เป็ น, ปนสังขาราสังขาราปัจจยาบิญยานัง่งมันจะดูเกิดดูดับรู้เกิดดูดับสีชั่วโมงในปัจฉิมยามแห่งลาฏีบรรลุถึงสมาสมพุท ธ, ธเพราะฉะนั้นความเป็นสมาสมพุท ธ, ธบรรลุได้โดยการรู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความดับไปของทุกรู้ทางปฏิบัติที่ถึงความดับทุกคืพพอพระองค์รู้ว่าขณะที่พร์ดูเกิดดูดับอยู่นั่นแหะคือทางปฏิบัติที่ถึงความดับทุกใช่เพราะนั้นความเป็นพุท ธ, ธ อยู่ที่อริยสัจธรรมสี่ประการนี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานั่นหมายถึงว่าความเป็นพุทธะอยู่ที่อริยสัจจิตสัจอริยสัจธรรสมสี่บุคคลเราลึกถึงพุทธังสนังคัามิระลึกถึงสาร น, านาคมคือต้องระลึกถึงลลอริยสัจสี่เราลึกอริยสัจสีก็คือระลึกถึงธรรมบงสารนังฉามมิและปฏิบัติตามอริยสัจสีก็คือสังฆังสาร ANG นังขัมมิถ้าใจยังการตามระลึกอยู่เสมอว่า พุทธะคืออริยสัจสีและอริยสัจสีนี้ก่อให้เกิดพุทธะเป็นธรรมะหรือสัจจักที่จะเป็นไปเพื่อฟ้องตนทุกและเราะเระลึก อ, อยู่ว่าจะาประพฤติปฏิบัติตามอริยสัจสี่นี้นั่นจึงชื่อว่าเป็นผู้มีไตสรสนมคมอย่างสมบูรณ์หากไม่นำอย่างนี้แล้วได้ในชั้นของโลกิยะนะได้ในชั้นของโลกิยะแต่ไม่ได้ชั้นของของความสมบูรณ์ในความเป็นพระราชนัย ชั้นไม่ได้ชั้นของการปฏิบัติชั้นโลกียะแค่แล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าพระนพระสงฆ์แค่นั้นแหละนะชั้นโลกิยะก็ได้ก็ได้อยู่ก็ถือว่าเป็นบุคคลสแต่ในชั้นของ ป, ปฏิบัติเนี่ยมันได้ยิ่งกว่าอันสูงมากมายยิ่งกว่าก็เห็นมาพอสมควรแก่เวลาในการอธิบายเรื่องไตสรณะโภคในวันนี้<า>เดี๋ยวมีคนถามมา อันนี้ต้องขอตอบในวันต่อไปนะเพราะว่าเวลามีจํากัดคนที่ถามมานี้ขอตอบในวันต่อไปจะได้เป็นประเด็นในการอธิบายในหัวข้อนี้คือเข้าถามมีกาบกาบเรียนถามพระอาจารย์ว่ากลุ่มวิญญาณในภาษากับวิญญาณในเวทนาสัญญาสังขารแตกตา่างกันอย่างไรครับอันนี้คือเดี๋ยวไว้เป็นประเด็นในการอธิบายในวันต่อไปวันนี้ก็ขอใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ ในเรื่องแต่ศาร์นกศ์ก็ขออนาค พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญกุศลที่เกิดจากการถวายทานเมื่อเช้านี้บุญกุศลที่เกิดจากการรับฟังธรรมเทศนาบุญกุศลที่เกิดจากการแสดงธรรมของอรหันต์ขอบุญทั้งสาประการนี้จงเป็นมหาเศรษฐีชั้นุภาพอำนวยเวรอยอตอบสนองให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีความสุขความเจริญเกิดมีสติปัญญาดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแทงตลอดในทำคําคสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คนทุกเข้าถึงสุขลูกกระแสพระนิพพานปิดอบา ย, ยภูมิได้อย่างทาววอนในปัจจุบันาการและอนาคตาการทุกๆคนเธอ